วันนี้ก็มีอาคารตุกะหรือที่จริงก็คือมิสหายนะมาเยี่ยมเยือนที่วัดก็เรียกว่าเป็นประเพณีแล้วพอถึงสิบสองสิ ง, สงหาก็จะมีญาติโ ย, ยม ที่คุ้นเคยนัดกันมาที่วัดหลายคณะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้เพราะว่าเรามีการปลูกต้นไม้กันในช่วง12บสองสิงหาคมมาหลายปีแล้ว แต่ว่าระยะหลังก็กระเถิไปปลูกเดือนเอคยปลูกเดือนมิถุนาบางกรกดาบ้า ง, าางเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอถึงสิงหาสักพักก็จะเริ่มฝนขาดช่วงแต่ว่าเราก็ยังมีการปลูกต้นไม้กันอยู่ในช่วงนี้ พรุ่งนี้ก็จะมีหลายท่านไปปลูกต้นไม้ที่สุกโตนี้นะที่ในการปลูกต้นไม้ก็เป็นงานที่ทํากันค่อนข้างต่อเนื่องนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่จะช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้และตอนนี้ธรรมชาติก็ต้องอาศัยพวกเราช่วย อุดหนนดูแลแต่ว่าการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าก็ไม่ใช่งานหลักทีเดียวของที่นี่เราอย่าในเรื่องการปลูกสติด้วยนะการปลูกป่าก็เป็นส่วนของการปลูกสตินะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เมื่อสักยี่สิบกปีก่อนตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเราเรียกว่าพุทธกเกษตรก่อนหน้า น, นั้นมันเคยเป็นไร่ข้าโพดของชาวบ้านและตารางชาวบ้านเขาก็อุทิศที่ให้แก่ทางวัดทางวัดก็ไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งมันกลายเป็นพงหญ้าคาต่อมาหลวงพ่อท่านก็ชักชวน อยากจะชักชวนชาวบ้านให้มาปลูกผักกันท่านใหญ่จะส่งเสริมกรเกษตรผสมผสานเพื่อช่วยลดร า, ายจ่ายของชาวบ้านแล้วอาจจะเป็นการเพิ่มรายได้ด้วยเพราะชาวบ้านแต่ก่อนก็ปลูกปลูกมันปลูกข้าวโพดเอาไว้ขายได้ราคาไม่ค่อยดี เป็นหนี้สินเยอะท่านก็อยากจะสนับสนุนให้ชาวบ้านได้มาปลูกผักกันนะท่านก็ใช้พื้นที่ตรงนี้แหละถางหญ้าคาซึ่งขึ้นหนารกนะแล้วก็มาปลูกผักกันเป็นบริเวณกว้างแล้วกนไม่ได้มีต้นไม้เยอะอย่างนี้มันเป็นที่ที่โล่งแล้วก็ปลูกต้นไม้ นิดๆหน่อยๆแต่ว่าปลูกผักกันแล้วก็ชวนชาวบ้านมาปลูกผักด้วยแล้วก็จะมีการขึ้นป้ายไว้เขียนข้อความที่ อ, อัตม ย, ยังจำได้ปลูกผักแก้จนดับมืดมนพึงปลูกสติเป็นอันนี้ก็เป็นพระที่ท่าน เคยมาอยู่แต่ก่อนท่านสมชายท่านก็แกะสลักจากขอนไม้แล้วก็เห็นเด่นชัดนะปลูกผักแก้จนดับมืดมนพึงปลูกสติคือเราไม่ได้ปลูกผักอย่างเดียวอันนั้นเป็นเรื่องของปากท้องแต่ว่าเราก็ปลูกสติด้วยอันนี้ก็เป็นงานหลักของทางวัด อย่างที่เรามาที่หน้าวัดก็คงจะเห็นป้ายนะสถาบันสติปัฏฐานอันนี้ก็ไม่ได้อวดตัวว่าเราเป็นสถาบันในความหมายที่เป็น อ, องค์กรใหญ่ๆแต่หมายถึงภารกิจที่เราอยากจะสถาปนาสติให้มั่นคงอยู่ในใจของพวกเราใครที่อยากจะมี สติอยากจะทำให้สติมันปักหลักมั่นคงก็มาที่นี่ได้เราก็มาช่วยกันนะสถาบันในที่นี้หมายถึงการช่วยกันสถาปนาหรือทำให้เกิดความมั่นคงอะไรที่มั่นคงก็สตินั่นแหละอาการปลูกสติก็หมายถึงการทำให้เรา มีความระลึกรู้ในกายและใจเราระลึกรู้ในเรื่องอื่นมาเยอะแล้วแล้วก็รู้มากมายหลายเรื่องแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะว่าเราลืมกายลืมใจแล่พอลืมกายลืมใจแล้วก็ลืมอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์กับตัวเองแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นก็เกิดจากการลืมกายลืมใจคนเราลืมกายลืมใจไม่ใช่เฉพาะเวลาเมาไมายหรือว่าติดยาเท่านั้นแม้ในยามที่ ยังม e ีชีวิตปกติเราก็ล <delete> <y ew est> ืมลืมได้เราไม่ได้ลืมเพราะเมาเหล้าแต่บางทีเราลืมเพราะเมาอารมณ์เมาในอารมณ์โกรธนะเมาในอารมณ์เกลียดความโกรธความเกลียดมันครองใจเราก็ลืมตัวนอกจาก จิตใจจะถูกเผาผลาญด้วยความโกรธความเกลียดแล้วมันก็ยังไประบายความทุกข์ใส่คนอื่นไม่ใช่แค่คนไกลแต่คนใกล้เช่นลูกสามีภรรยาหรือแม้แต่พ่อแม่ก็พลอยอถูกไฟแห่งความโกรธความเกลียดเผาผลาญบางครั้งก็มีความเศร้า อารมณ์เศร้ามันก็ทําให้เราเมานะเสร็จแล้วก็ทําร้ายตัวเองให้เราเมาอารมณ์กันเยอะมากนะแม้ว่าเราจะไม่เมาเหล้าไม่เมายาการที่เมาอารมณ์นี้ก็ทําให้เราลืมตัวและการที่เราลืมตัวก็ทําให้เราเมาอารมณ์มันมันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันนะแต่ว่าถ้าเรา หันมามีสติเราก็จะรู้ทันความรู้สึกนึกคิดแล้วเราก็จะรู้ตัวได้ดีขึ้นเมื่อเรารู้ตัวได้ดีขึ้นเราก็สามารถที่จะสลัดอารมณ์ต่างๆไม่ให้มาครองใจไม่ทำให้เราหลงเมาอารมณ์นะให้เราการปฏิบัติ เราก็ปฏิบัติด้วยการเริ่มจากให้รู้กายก่อนก็มีรูปแบบนะยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นอริยบทหลักเบื้องต้นก็ฝึกให้เรารู้กายหมายความว่าให้รู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวยกมือไปมาแต่ใหม่ๆก็จะไม่รู้สึกหรอกเพราะว่า ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันปรุงแต่งดึงจิตออกไปจากการรับรู้กายแทนที่จะให้ใจอยู่กับกายอย่างที่เรียกว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นมันไม่ใช่ตัวอยู่นี่แต่ใจไม่รู้อยู่ไหนอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานหรือว่าอยู่ที่อื่นบางทีก็อยู่ที่ครัวนะตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่นั่นก็เรียกว่า ลืมตัวนะเพราะว่ายกมือไปก็ไม่รู้ว่ายกด้วยซ้ำเพราะใจไม่ไปรับรู้กายที่กำลังยกมือแล้วแต่ว่าไปรับรู้เรื่องอื่นอดีตบ้างอนาคตบ้างนอกตัวบ้างก็ทำให้การรู้สึกตัวไม่ต่อเนื่องรู้เป็นขณะขณะวับวว บ, บ, บ, บแต่พเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆความรู้ตัวคือ เริ่มจากการรู้กายก็จะต่อเนื่องขึ้นและในเวลาเดียวกันเราก็จะเริ่มรู้ใจเวลาเผลอคิดเผลอฟุ้งก็รู้รู้แบบรู้แบบรู้เฉยๆนะไม่ใช่รู้แล้วไปตะปบไปกดไปคม่มไปผลักใสความคิดไม่ใช่ใหม่ๆก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เวลา เวลาฟุง้งพอรู้ตัวว่าฟุ้งก็จะไปกดห้ามจิตไม่ให้คิดไม่ให้ฟุง้งไปกดข่มอารมณ์เอาไว้อันนั้นไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่จะช่วยให้สติเติบโตได้ไวเหมือนกับเราไปบังคับให้ต้นไม้เนี่ยมันมันโตแทนที่จะ ช่วยเขาเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติก็ไปพยายามไปเล่งแต่ว่าการทําเช่นนั้นก็กลับทําให้ต้นไม้แครกแกรนเราเพียงแต่รู้ว่ามีความคิดความนึกอารมณ์เกิดขึ้นรู้เฉยๆอย่างที่หลวงพ่อคำเกียร์หรือหลวงพ่อเทียนใช้คำว่ารู้ซื่อๆนะก็คือรู้อย่างที่มันเป็น คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งหลังจากที่รู้กายได้ต่อเนื่องก็จะมารู้ใจพอรู้ใจแล้วก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดมันเกิดขึ้นในใจรู้แบบดูมันเฉยเฉยหรือรู้เฉยเฉย รูปด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดียิน้ายหรือว่ารู้แบบไม่ตัดสินนะไม่ตัดสินอันนี้ก็เป็นเป็นการอธิบายอีกแบบหนึ่งคือไม่ตัดสินว่ามันเร็วมันไม่ดีนะถ้าเราถ้าเราทอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะเห็น ธรรมชาติของจิตหรือเห็นนาการของจิตอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ด้วยความชอบหรือด้วยความชังนะไม่มีอคติมาเจออปนเพราะถ้ามันมีความชอบความชังมันก็จะทําให้เห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงมันจะมีการตัดสินว่าอย่างนี้ไม่ดีฉันไม่เอาฉันผลักใส่ยอย่างนี้ดีฉันเอาฉันไขว้คว้าการปฏิบัตินี้เราจะฝึก ให้เราเนี่ยรับรู้ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางคือไม่ผักใสไม่ไขว่คว้านะซึ่งมันทำได้ยากเพราะว่าปกติเรามักจะมีปฏิกิริยามันเกิดปุ๊บถ้าไม่ตามทำตามมันก็ต้านมันนะ ตอนที่ไม่ปฏิบัติก็ตามมันต่พึต่พือนะแต่พอปฏิบัติรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ดีก็จะต้านหรือกดข่มมันนะแต่ว่าการปฏิบัติที่เราสติปัฏฐานนี่เป็นการฝึกให้จิตเป็นอยู่บนทางสายกลางคือไม่ตามแล้วก็ไม่ต้านนะไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่ง ไม่ผลักไสแล้วก็ไม่ขวายควา้าแค่ดูเฉยๆนะจิตก็จะเริ่มนิ่งเป็นผู้ดูนะไม่ใช่ผู้เป็นหรือผู้กระทำนะตรงนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้ใจเราสงบลงได้ปล่อยวางหรือว่าหลุดจากอารมณ์ได้เพราะว่าถ้าเราไปขวายควา้าเราก็ ถูกมันลากไปแต่ถ้าเราไปต่อต้านเราก็ถูกมันดูดถูกมันหลอกลอก่อพันตูเราก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าพอเราสามารถจะฝึกใจให้เป็นกลางนะ ไม่เผอไม่เพง่งไม่ตามไม่ต้านไม่ผักสไม่ไขวควา้าเราเห็นมันนอกจากจะหลุดจะวางได้แล้วเราก็จะเห็นมันตามที่เป็นจริงก็จะเกิดปัญญาขึ้นแล้วลองฝึกดูบ้างฝึกที่จะฝึกที่จะเห็นแทนที่จะเป็นอย่างที่หลวงพ่อคาเขียนเน้นอยู่เสมอเสมอไม่ตัดสินนนถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ย มันก็จะช่วยไม่แค่ช่วยเราอย่างเดียวนะแต่ยังช่วยทำให้เรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้นคนทุกวันนี้ทำร้ายตัวเองและทำร้ายผู้อื่นก็เพราะว่าไม่รู้จักที่จะดูอย่างที่เป็นไม่รู้จักเห็นโดยไม่ตัดสินทั้งสิ่งที่อยู่ในใจของเราแล้วก็ที่เห็น ด้วยตาหรือได้ยินในหูจากภายนอกนะความทุกข์ของผู้คนความสัมพันธ์ที่เล้าชานส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราเราไปตัดสินกันล่วงหน้าโดยที่ไม่รู้จักฟังกันโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดมันไม่เพียงแต่ทำให้เราทุกข์ เพราะว่าเราไปกดข่มความคิดความรู้สึกแต่มันยังเป็นตัวผลักให้เราไปไปใช้อำนาจกับคนอื่นด้วยด้วยเพรา ะ, ะกับคนที่เรารักมีแม่คนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาชอบพาลูกคนเล็กๆ เ, เนี่ยอายุสักสี่ห้าขวบเนี่ย ไปเดินเล่นบางทีก็พาไปเดินในสวนแล้วก็บางครั้งลูกก็จ ะ, จะเด็ดดอกไม้แม่ก็จะก็จะห้ามนะบางทีก็ดุว่าเด็ดดอกไม้ทําไมอย่าไปเด็ดดอกไม้แม่เจตนาดีและสิ่งที่แม่พูดเนี่ยมันก็เป็นอ่าเป็นประโยชน์ ต่อลูกด้วยเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแต่แม่ก็สังเกตว่าพอพอเทศพอสอนพอว่าหรือดูลูกลูกก็จะน้อยใจลูกก็จะไม่พอใจแม่ก็คงนึกว่าก็เป็นธรรมดานะที่ลูกต้องรู้สึกแบบนั้นก็ไม่ได้นึกอะไรแต่ต่อมาพอแม่ได้มาเรียนรู้ว่า เราควรจะฟังหรือรับรู้อะไรต่างๆโดยอย่าพึ่งด่วนตัดสินอย่าพึ่งด่วนสรุป ก, ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเออเราไม่ลองทำอย่างนี้กับลูกเราดูบ้างแล้ววันหนึ่งเขาก็พาลูกไปเดินในสวนลูกก็เด็ดดอกไม้อีกความรู้สึกแรกของเขาคือว่า จะด่าจะดุลูกแต่ก็ยังเอาไว้เพราะว่าได้เรียนรู้มาว่าบางทีเราต้องฟังแล้วก็ดูโดยไม่ต้องตัดสินบ้างแล้วก็ดูก็ก็ดูใจของตัวเองไปด้วยนะว่าใจนี้ไม่พอใจที่ลูกเด็ดดอกไม้และขณะเดียวกันก็ดูลูกไปด้วยว่าลูกทำอะไรลูกเด็ดดอกไม้เสร็จแล้วพอไปถึงบ้าน ลูกก็เข้าไปในครัวแม่ก็ตามไปเสร็จแล้วลูกก็ถามว่าแม่มีจานไหมไม่มีชามไหมแม่ก็ถามว่าลูกถามแม่ว่าแม่มีชามไหมแม่ก็ถามว่าแล้วลูกจะเอาชามไปทำอะไรลูกก็บอกว่าลูกจะเอาชามนี้มาใส่ดอกไม้วางบนโต๊ะอาหารให้พ่อดูให้พ่อได้ชื่นชม พอลูกพูดอย่างนี้เนี่ยแม่ก็เข้าใจเลยที่แรกเนี่ยแม่ไม่เข้าใจแม่ไปคิดว่าลูกเนี่ยมือบอลนะชอบเด็ดดอกไม้ไปเรื่อยแต่ที่จริงลูกเนี่ยเขามีเจตนา ด, ดีก็อยากจะให้ให้ให้พ่อเนี่ยได้ได้เห็นดอกไม้สวยๆ ง, งามๆบนโต๊ะอาหารแม่ก็เลยได้คิดว่าโอ้นี่ เราไม่เคยไม่เคยถามลูกเลยว่าลูกเด็ดด อ, อกไม้ไปทําอะไรนะก็คิดแต่แต่ว่าลูกนี่มือบอนคิดว่าลูกทำอย่างนี้ก็ต้องดุลูกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้จริงๆลูกของเราก็มีน้ําใจดีนะเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองนะเขาไม่ได้มือบอนแต่ว่าเขาคิดถึงพ่อ้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เขาก็ได้คิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปว่าลูกทาตามความเคยชินเดิมๆตัดสินล่วงหน้าว่าลูกมือบอลนะก็คงจะทำให้ลูกเสียใจแล้วก็ทำให้ลูกนี่จะรู้สึกว่าเขาทำอะไรผิดหรือนะการการที่ไม่ไม่ด่วนตัดสินนี่มันก็ช่วยได้เหมือนกันจะช่วยได้ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกดีขึ้น แม่คนนี้เขาก็เล่ามันหนึ่งก็พาลูกสองคนไปเดินเล่นลูกก็สองคนเป็นพี่น้องผู้ชายเดินตามหลังเดินได้สักพักพี่น้องก็หยอกกันแม่ก็เดาแล้วเดี๋ยวหยอกไปหยอกมาเดี๋ยวก็ต้องอะทะเลาะ ก, กันพอเหลียวหลังไปดูอีกทีเอาพี่ไปทําท่ามันก็จะไปตีหัวน้อง ความรู้สึก ข, ของแม่อย่างแรกคือว่าจะดุลูกว่าดุพี่ชายว่าไปตีหัวน้องทําไมแต่ว่าก็มีสติยังคิดไว้ทันเขาคิดว่าลองดูซิว่าเออเราจะเพิ่งตัดสินดูสักพักก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นดูสักพักก็เห็นพี่ชายทาท่าจะตีหัวน้องก็อยากจะพูดอยากจะเตือนอยากจะดุ พี่ชายแต่สักพักก็ได้ยินน้องได้ยินพี่ชายพูดถึงว่านี่นี่มดมันยังติดหัวอยู่เลยนะอย่าเขยา่าเดี๋ยวจะอย่าให้อยู่นิ่งๆหัวนิ่งๆเดี๋ยวมดมันกัดเอานะพอแม่ได้ฟังนี่ก็รู้เลยว่าพี่ชายเขาไม่ได้หลังแก่น้อง พี่ชายพยายามที่จะดึงอามดตะหน่อยออกจากหัวน้องมันติดพันอยู่กับผมนะท่านเด็กเขาก็พยายามดึงพยายามพยายามดึงพยายามปัดมดออกไปแต่แม่ไปนยกว่าพี่ชายกําลังตีหัวน้องนี่ถ้าเกิดว่าแม่นี่ทําไปตามอารมณ์ทําไปตามความคิดเดิมๆซึ่งแม่จะเป็นความปรารถนาดี แต่เนื่องจากสรุปล่วงหน้าแล้วว่าในลูกเนี่ยพี่เนี่ยหลังแกน้องก็คงจะทำให้อพี่ชายเนี่ยเสียใจนะว่าถูกแม่ดุทั้ ง, ท, งที่กําลังช่วยน้องอันนี้ก็เป็นบทเรียนทาให้เขาได้เห็นว่าเออบางทีเราผู้เป็นแม่เนี่ยเราชอบด่วนสรุปชชอบด่วนตัดสินและในชีวิตจริงของเขามาทบทวนดูก็พราบว่าเนี่ย ก็เป็นอย่างนี้นะ ก, กับลูกมาโดยตลอดก็คือลูกทำอะไรที่ไม่ถูกใจที่รู้สึกขาดทุกัตาก็ก็ดุก็ว่าโดยที่ไม่ทันได้ถามว่าทำไปอย่างนั้นเพราะอะไรหรือว่าไม่สังเกตว่าจริงๆแล้วลูกเขาต้องการทำอะไรบางทีเา็าอาจจะทำด้วยเจตนาดีแต่ว่าเราไปด่วนสรุปซะก่อน ถาการด่วนสรุปเนี่ยมันก็ทำให้มีเกิดความเจ็บปวดตามมาถ้ามีเรื่องเล่าว่าพ่อคนหนึ่งเขาได้รถคันใหม่มาราคาแพงเขาก็ทุกเช้าเขาก็จะมาดูแลนะมาขัดมาเช็ดรถทันนี้ใส่ล้วันหนึ่งก็เป็นวันหยุดมั่งเขาคงตื่นสาย พอออกมาที่จอดรถก็เห็นลูกกำลังเ ข, เขียนอะไรบางอย่างบนตัวรถพ่อนี่โกรธมากแล้วก็ตีลูกตีลูกแบบไม่ยั้งเลยเพราะว่าเป็นรถที่ลักมากลูกนี่ก็แค่สามสี่ขวบเพนั้นแหละก็ต้องการตีเพื่อสั่งสอนนะตีร้องลูกยังร้องไห้จนกระทั่งพ่อนี้ เรียกว่าสาแก่ใจเลยหันไปดูว่าก็หันไปดูที่รถเราก็ว่าลูกเขียนข้อความนะด้วยช็อกว่านะหนูลักพ่อนะก็เขียนตามภาษาซื่อๆนะเขียนถูกบ้างผิดบ้า ง, างพอแกเห็นอย่างนี้เขาแกก็ซึมเศร้าเลยหนูลักพ่อแต่พ่อลักลูกไอ้พอลักรดมากกว่าหนู เนี่ยก็ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เขาทำอะไรไปตามอารมณ์โดยที่ไม่ทันได้ยังคิดหรือว่าตัดสินล่วงหน้าไปแล้วนะในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกมันก็มักจะมีเหตุการณ์ยี่เสมอให้สมัติปัญหาของพ่อแม่ทุกวันนี้คือว่าเราฟังกันน้อยลงโดยเพราะกับลูกเราให้เวลา กับลูกน้อยไม่ค่อยได้ฟังและเราชอบตัดสินล่วงหน้าและการตัดสินล่วงหน้านี้บางทีนะมันทำให้เกิดความทุกข์ตามมาโดยพ่อถ้าเกิดเราไปยึดติดถือมั่นนะในความคิดของเราเราความคิดของเราว่าเราถูกนะเดี๋ยวเพราะคนที่เป็นพ่อหรือแม่ที่เขาเป็นคนที่ ธรรมะธรรมโมบางทีก็ต้องระวังนะเพราะไอ้ความความเป็นคนธรรมะธรรมโมของเรามันอาจจะเป็นการทำร้ายลูกได้เม<ห><ด>ื่อสัก4ี่ห้าเดือนก่อนหรือสักต้นปีนี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังพ่อนี่ก็เป็นคนที่เข้าวัดชอบเข้าวัดนะแล้วก็ เป็นนักธุรกิจเป็นคนชอบเข้าวัดแต่ว่ามีปัญหากับลูกนะลูกก็เป็นวัยรุ่นลูกก็ไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้ติดยาอะไรแต่ก็อาจจะเป็นวัยรุ่นธรรมดาคือว่ามีช่องว่างระหว่างกับมีช่องว่างกับพ่อพ่อนี่ก็ชอบสอนชอบเทศ คนะงตั้งแต่เล็กแล้วละ่ะจนกระทั่งลูกนี่ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะฟังพ่อนะพบทํทำอะไรนี่ก็ถูกเทศถูกดุถูกว่าถูกสอนก็เลยเกิดช่องว่างระหว่างกันนะพ่อนี่ก็พยายามสอนพยายามแนะนำให้ลูกนะเป็นคนดีหรือว่าเข้าวัดเข้าวาเหมือนพ่อ แต่ว่าลูกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าลูกไม่ได้เกเลียอะไรมากแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าลูกนี่ก็เริ่มจะไม่ค่อยสนใจฟังพ่อไม่พูดกับพ่อด้วยซ้าแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกก็ขับรถนะพ่อก็ดีนะ่ะซื้อรถให้ลูกลูกนี่เพิ่งเรียนมัธยมแต่ซื้อรถให้ลูก แต่ว่าลูกนี่ก็อยากจะขับรถตอนข้ามไปบ้านเพื่อนพ่อสั่งลูกว่าห้ามไปลูกก็ยังไปพ่อโกรธมากตามไปถึงบ้านเพื่อนแล้วก็ไปเอารถกลับมาพร้อมกับลูกพ่อไปถึงบ้านก็ทะเลาะ ก, กันมีปากเสียงกันไม่รู้อีท่าไหนพ่อนี่ก็ควักปืนมายิงลูกตาย แล้วพ่อก็ยิงตัวเองตายทั้งหมดนี่มันก็เริ่มต้นมาจากความปรารถนาดีอยากจะให้ลูกเนี่ยดีเหมือนพ่อหรือว่าดีอย่างที่พ่อคิดแต่ว่าลูกไม่ค่อยได้รับรู้ว่าพ่อนี่ไม่ค่อยรู้ว่าลูกนี้มีคิดอะไรอยู่ในใจนะก็ได้แต่สั่งก็ได้แต่พูดได้แต่ ดุดานะพอลูกไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดก็เกิดความจากลกลัวก็กลายเป็นเกลียดและจากเกลียดก็กลายเป็นแคร์นะอันนี้จะว่าเป็นเพราะความติดดีของพ่อก็ได้ก็คือว่าอยากจะให้พ่อเนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยดีเหมือนดีเหมือนพอ่อหรือดีอย่างที่พ่อคิดนั้นมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะความปรารถนาดี บางทีมันก็สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้โดยพ่อถ้าปรารถนาดีโดยที่ไม่ไม่สนใจไม่สนใจจะฟังอีกฝ่ายนงว่าเขาคิดอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องต้องต้องใส่ใจเหมือนกันโดยพ่อวันนี้เป็นวันวันแม่เนี่ยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงวันแม่เนี่ย ก็มักจะเรียกร้องให้ลูกเนี่ยนึกถึงความดีของพ่ออันนึกถึงความดีของแม่ให้มีความกตัญญูต่อแม่แต่ที่จริงวันแม่คุณจะเป็นวันที่แม่เนี่ยควรจะระลึกด้วยว่าเราควรจะทําอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยทําให้นะลูกเนี่ยเขามีความสุขและเป็นคนดีและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการที่เรา รู้จักฟังเขาบ้างฟังลูกบ้างอย่าไปด่วนตัดสินอย่าไปด่วนสรุปเพราะว่าบางทีความปรารถนาดีของแม่หรือของพ่อเนี่ยก็ทำให้สรุปว่าลูกนี้นะกำลังเกเลบ้างกำลังทำตัวไม่ดีบ้าง พอคิดลงหน้าแบบนี้แล้วการที่จะฟังการที่จะไต่าถามมันก็ไม่มีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกมักจะเสียไปเพราะเหตุนี้โดยเพราะลูกที่เป็นวัยรุ่นนะเขจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยฟังเขานะส่วนนี้ก็เพราะพ่อแม่ใช้อํานาจด้วยโดยถือหลักว่าฉันเจตนาดีฉันรักลูก ความเจตนาดีความรักลูกมันไม่เพียงพอหรอกที่เราจะเป็นเหตุผลให้ใช้อํานาจกับเขาแต่ว่าต้องฟังด้วยจึงไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะเดี๋ยวนี้เด็กตัวเล็กๆนี่เขาก็รู้สึกได้แม่คนหนึ่งเขไล่ฟังลูกเขาเจ็ดขวบแม่ก็เป็นคนที่นะเป็นคนที่รักลูกมากก็คอยติดตามเอาใจใส่ การกระทาของลูกแล้วก็หนีไม่พ้นที่จะชอบชอบสอนชอบชอบสั่งแล้วก็ดูนะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแต่หลังแม่นี่ก็เริ่มได้คิดว่าเราเราใช้อำนาจกับลูกมากไปเราควรฟังลูกบ้างเหมือนกับที่เราควรจะฟังหรือดูอารมณ์ความรู้สึก ข, ของเรามันเรื่องเดียวกันเลยนะการเจริญสติกับการ ที่เราจ ะ, ะเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันคือต้องรู้จักดูต้องรู้จักฟังโดยไม่ต่วนสรุปเขาก็เริ่มมาใช้วิธีนี้กับลูกแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนลูกไม่อยากไปโรงเรียนอายุเจ็ดขวบนะไม่อยากไปโรงเรียนความรู้สึกแม่อย่างแรกคือต้องบังคับลูกใเข้าโรงเรียนแต่ว่าลูกก็ท่าทางไม่มีท่าทางขัดขืน ไม่อยากจะไปแม่ก็เลยถามลูกว่าทำไมถึงไม่อยากไปทำไมถึงไม่อยากเข้าโรงเรียนแล้วลูกก็เล่าให้ฟังว่าครูนาะชอบตีชอบอชอบสั่งนะแล้วที่โรงเรียนก็มีเด็กตัวตัวโตชอบเกเรเวลาถูกครูตีเด็กคนนี้ก็มาระบายใส่ใส่รุ่นน้องเขาเองก็โดนด้วย เด็กก็เล่านะเล่ามาหลายเรื่องทีเดียวเรื่องให้ความทุกข์ในโรงเรียนเรื่องครูเรื่องเรื่องรุ่นพี่ตัวโตโ ต, ต, ตลังแกเล่าเล่าเล่าเล่าแม่ก็ฟังอย่างเดียวเลยนะเด็กเล่านี่มาเป็นเรียกว่านานทีเดียวนานกว่าครึ่งชั่วโมงขณะที่จอดอยู่หน้าโรงเรียนนั่นแหละเล่าเสร็จจนจบนะ แม่ก็ถามว่าทำไมมีเรื่องเล่าแบบนี้ไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยเด็กบอกว่าก็แม่ไม่เคยฟังลูกเลยเนี่ยก็เลยไม่กล้าเล่าแต่ระยะหลังเนี่ยแม่ฟังลูกมากขึ้นลูกก็เลยเล่าให้แม่ฟังเนเด็กเขาก็รู้สึกได้นะว่าขนาดเจ็กขดนี้เขาสื่อว่าแม่ไม่ฟังเขาเพราะนั้นเขาก็เลยเก็บกดเอาไว้มีความทุกข์ในโรงเรียนแล้วเด็กคนนี้ทุกข์ในโรงเรียนมากขนาดที่ว่า บางทีจะไปโรงเรียนนี่อ้วกมาเลยอ้วกเลยเพราะว่าความทุกข์ในโรงเรียนมันเยอะมากและแม่ก็ไม่เคยรู้แม่ก็แต้แต่เขี้ยวเข็นบังคับให้ลูกไปโรงเรียนแต่ไม่เคยรับรู้ว่าลูกเขาทุกข์อย่างไรบ้างแต่ทำไมลูกถึงไม่เล่าก็เพราะแม่ไม่เคยฟังลูกนะแต่พอแม่เริ่มฟังลูกลูกก็จะเริ่มเล่านะลูกคนนี้เคยพูดขณะว่าพูดกับเพื่อนว่า ชาติต่อไปจะได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันนะอายุหกเจ็ดขวบเป็นไงเพราะเขรู้สึกว่าถูกกดดันมากทั้งโรงเรียนทั้งแม่แต่ตอนหลังความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นพ่อแม่ฟังลูกแต่บางทีเราไม่ค่อยฟังนะเพราะเห็นว่าเด็กเจ็ดขวบจะมีความคิดอะไรเด็กเจ็ดขวบหรือเด็กสามสี่ขวบไม่มีความคิดอะไรหรอกต้องให้แม่ให้พ่อสั่งอย่างเดียวเขาทําอะไรเป็นผิดเป็นหมดในสายตา ของของแ ม, แม่หรือพ่อให้สมมติ ว, ว, ว่าตรงนี้สําคัญความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกตอนนี้มันเสียไปเพราะว่าฟังกันน้อยลงไม่ใช่แค่พ่อแม่ไม่ฟังลูกอย่างเดียวนะสามีภรรยาก็ไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่เพราะเราด่วนตัดสินกันอยู่ตลอดเวลาเราตัดสินกันเร็วมากนะ แล้วเราก็ไม่รู้ทันความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ด้วยฉะนั้นการที่เราฝึกที่จะดูใจของเราดูโดยไม่ตัดสินนะดูด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันจะช่วยได้ไม่ใช่เพียงแต่ช่วยทำให้เรามีใจที่โปร่งเบาเท่านั้นแต่มันยังช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรักนะพ่อแม่ลูกเนี่ยมันดีขึ้น ลูกก็ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันนะลูกต้องการสิ่งนี้เหมือนกันแล้วลูกก็ควรจะมีสิ่งนี้กับพ่อแม่ด้วยโดยพ่อพอพอลูกโตขึ้นเนี่ยลูกก็จะกลายเป็นฝ่ายไม่ฟังพ่อแม่ละแต่ก่อนตอนที่ลูกเล็กๆพ่อแม่ไม่ฟังลูกพ่อแม่ใช้อำนาจกับลูกพ่อแม่รู้ว่าอะไรที่ดีสําหรับลูกเพราะฉะนั้นลูกอย่าอย่าเถียงแต่พอลูกโตขึ้น ลูกก็จะไม่ฟังพ่อแม่และลูกก็จะกลายเป็นคนใช้อำนาจกับพ่อแม่เพราะลูกรู้ดีว่าอะไรที่ดีกับพ่อแม่แล้วมันกลับกันนะมันเหมือนกับเป็นยี่บากกรำก็ได้และสุดท้ายก็ทาร้ายกันตอนเด็กๆพ่อแม่ทำาลายลูกพอโตขึ้นลูกทำร้ายพ่อแม่ก็ได้มีคนนึ่งก็ไล่ฟังพ่อป่วยเป็นมะเร็ง นะปวดเป็นมะเร็งก็ลูกก็รักพ่อนะก็เป็นห่วงเป็นมะเร็งพ่ออะไรเป็นมะเร็งก็เพราะว่าสูบบุหรี่เยอะเป็นมะเร็งปอดก่อนหน้านี้ลูกก็เคยเคยขอร้องพ่อว่าอย่าสูบบุหรี่มากลูกพ่อก็ไม่ก็ไม่สนใจจนกระทั่งพ่อเป็นมะเร็งปอดนะลูกก็ตำหนิพ่อว่าเนี่ย เป็นพ่อลูกเนี่ยเป็นพ่อพ่อนีไม่เชื่อฟังลูกก็เลยเป็นมะเร็งคราวนี้พอเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องทำการรักษาก็ตกลงกันว่าให้พ่อเนี่ยย้ายมามาพักอยู่ก่คอนโดคอนโดนะที่มันใกล้โรงพยาบาลหน่อยแล้วก็มีคนคอยดูแลลูกก็บอกพ่อนะว่าอย่าสูบบุหรี่นะนันนี่ขนาดเป็นมะเร็งแล้วยังไม่เลิกสูบบุหรี่นี่ มันก็ไม่ไหวแล้วนะก็บอกพ่อว่าอย่าสูบบุหรี่ให้พอรับปากพ่อก็รับปากนะว่าไม่สูบบุหรี่นะแล้ววันนึงลูกก็ไปที่ไปเยี่ยมพ่อที่คอนโดเยี่ยมเสร็จพูดคุยกันเสร็จสับก็มองไปที่ระเบียงเห็นก้นบุหรี่สองสามก้นอยู่ที่ระเบียงพื้นระเบียงลูกโกรธมากก็ว่าพ่อเลยว่าทําไม ว่าไม่ให้สูบบุหรี่ทำไมสูบพ่อก็บอกพ่อไม่ได้สูบนะมารูกก็บอกไม่ได้สูบได้ไงเห็นก้นบุหรี่ตรงนี้พ่อก็บอกกูไม่รู้หุนะไม่สูบบอกไม่ได้สูบพ่อลูกก็ยิ่งโกรธถาว่าพ่อโกหกแล้วก็มึนตึงกันไปต่อมาพ่อเสียชีวิตอันนี้พูดสั้นๆ น, นะเสียชีวิตก็ทํางานศพเรียบร้อยก็ ลูกต่อมาไม่กี่วันลูกก็ไปเคลียร์ห้องไปเคลียร์สมบัติของพ่อที่คอนโดพอมองไปที่ระเบียงเห็นก้นบุหรีสงสัยขึ้นมาไอ้พ่อตายแล้วทำไมยังมีก้นบุหรีอยู่เราก็ว่ามันเป็นก้นบุหรีจากห้องข้างบนนะห้องข้างบนที่เขาสูบบุหรีแล้วก็ทิ้งบุหรีทิ้งก้นบุหรีลงมาแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนลมมันพัดเข้ามานะ ถึงตอนนี้พอลูกรู้ความจริงเขา้าลูกก็สุดเลยนะเสียใจมากที่ไปว่าพ่อเสียหายว่าพ่อโกหกแต่ว่าลูกไม่สามารถไปขอโทษพ่อได้ละเพราะพ่ อ, พอไปที่ชอบที่ชอบแล้วอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะว่าเนี่ยบางทีเราก็ไม่ฟังกันลูกก็ไม่ฟังพ่อเหมือนกันนะ สรุปลุงหน้าแล้วว่าพอเห็นก้นบุหรี่ก็สรุปแล้วว่าพ่อสูบบุหรี่แนะ่ไม่ต้องถามแหลงสิละพอเห็นก็ด่าเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ก็เป็นกับพ่อหรือแม่เหมือนกันเวลาลูกเล็กก็ทำอย่างนั้นนะมันมันสลับบทบาทกันนะตอนเล็กๆพ่อแม่ก็ว่าลูกไม่ฟังลูกใช้อำนาจกับลูกพอโตขึ้นพ่อแม่แก่ลูกก็ทางั้นกับพ่อบ้าง เสร็จแล้วก็เจ็บปวดกันไปทุกฝ่ายดังนการไม่ด่วนสรุปการที่เร า, ารู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของเราเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ด่วนตัดสินมันก็เป็นเรื่องเดียวกับเวลาเราเห็นเห็นด้วยตาหรือว่าได้ยินด้วยหูเราก็ไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนตัดสิน มันก็จะช่วยทำให้ให้การเข้าใจผิดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากและการที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันก็จะไม่มีน้อยลงมันจะเปิดการให้เราได้ฟังกันมากขึ้นการฟังที่สาคัญมากในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลก็คิดว่านะเป็นเรื่องที่อยากจะอยากจะฝากเอาไว้นะในวันที่เขาถือเป็นวันวันสคัญแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอก ก็มักจะเรียกร้องกับลูกว่าลูกต้องกระตันอยู่กับพ่อกระตันอยู่กับแม่แต่บางทีเราไม่ค่อยนึกว่าแล้วแม่หรือพ่อนี่ควรจะทําอะไรบ้างเพื่อที่ทําให้ความสัมพันธ์กับลูกนี้ดีขึ้นอแล้วก็พอสมควรกับเวลากระพร้าพร้อมกัน